อถ้าบวชน้อยกว่านั้นหลวงพ่อว่าอ ม, มันแบ่งบุญไม่ทั่วฮะถ้าบวชน้อยเกินไปนะแต่ถ้าสามเดือนเนี่ให้ตัวเองเดือนนึงให้พ่อเดือนหนึง่งให้แม่เดือนหนึง่งสามเดือนเอาคนละเดือนกันนะ่ะอถ้าว่ามากกว่านั้นก็ให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายคนละเดือนละเดือนนะแต่ถ้าว่าบวชน้อยเกินไปมันแบ่งกันน้อยเกินไปนะ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 ทาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาบัดนี้พวกเราสร้างเจตและจะได้ฉลองกันปยาธรรมสก็เป็นประธานในการฉลองทาวลวัตถุเหล่านั้นพอฉลองเสร็จแล้วพระยาธรรมสกราชก็ถามประธานสงประธานสงท่านก็ยังเป็นพระรหันอยู่ใช่ฐานประธานสงท่านประธ า, า, านพเถระครับ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 นี้ก็เหมือนกันนั่นแหะครูบาอาจารย์อย่างพระอุปรายชเหมือนกันหลวงพ่อเหมือนกันที่เป็นเจ้าของวัดนเนี่ยเวลาลูกหลานเข้ามาบวชมาอยู่ด้วยเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยคิดว่าค่าใช้ใจ่ายเท่าไรเดือนนี้เท่าไเดือนนั้นเท่าไรองค์นั้นเก็บไข่ได้ป่วยเท่าไหร่หลวงพ่อไม่เคยคิดเพราะว่าอันนี้คือทายาทอันนี้คือลูกของหลวงพ่อคือทาญาติผู้จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้า